กอเดินพอตัวเราเนาะก็ตั้งใจวังหลายรายกัร น, นะอยู่ที่นี่ก็มีอะไรอยูตามเทเอกคประกอบอยอเยอะนะกราเทพคดีเจอตอนทำวัดคดีเนจะอตอนปฏิวัติธรรมคดีนะคดีนะไม่เงียบเกินไป ไปอยู่ที่วัดอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเงียบเกินไปไม่มีเสียงที่คุ้นเคยนะไม่มีองานการ ท, ที่ทําปฏิก็อยู่ไม่ได้เมื่อตอนภาค บ, บ่ายนะเราก็ปรีกันตอนหนึ่งที่ปรีกเรื่องอชีวิตอที่ใน ม, มีอนาคตนะของในจานตรงค น, นนะ หรือว่าผมอยู่ยังไม่มีอนาคตนะอันนั้นหลายคนก็ก็ทําได้หรือว่าบางคนก็เข้าใจนะในเชิงควาหมายของธรรมนะแต่บางคนที่ใช้ชีวิตทำโลกอยู่ก็อาจจะรู้สึกมันือนก็อาจจะแล้วชีวิตเราจะอยู่ยังไงละถ้าเราไม่มีอนาคตนะหรือที่จริงหรือว่า ถ้าเราได้มีเป้าหมายชีวิตเราจะอยู่อย่างไรเนาะบางทีอันนี้ในทางโลกคนที่ยังไม่ได้แบบว่าจะเอาแต่ธรรมะอย่างเดียวนะเราก็ยังต้องเอาทั้งทําทางโลกด้วยแล้วก็ธรรมะด้วยนะเราจะอยู่อย่างไรเนาะที่จริงชีวิตเราก็ควรที่จะมีเป้าหมายชีวิตนะนะั่นแหละพูดตรงๆนะก็คือในทางโลกเราก็ควรมีเป้าหมายในชีวิตในทางโลกของเรา หรือไม่แต่ในทางธรรมเองก็ควรมีเป้าหมายในชีวิตนั่นแหละแต่ก็มันต้องเป็นเป้าหมายในชีวิตที่ที่เรียกว่าถูกสมควรนะเป็นเป้าหมายในชีวิตในเชิงเชิงบวกหรือว่าเชิงดีนะไม่ใช่ฉันอยากจะเป็นค่าค่าสกรในชะีวิตแต่แบบนั้นคือเราเป็น เป็นเป้าหมายชีวิตรเราที่ทำให้คนอื่นเลือร้อนนะแต่ถ้าเราจะมีเป้าหมายชีวิตสิ่งสำคัญของผู้ที่ใฝ่ในธรรมก็คือว่าเป้าหมายชีวิตเราต้องเป็นเป้าหมายชีวิตในในเชิงที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองก็ดีหรือว่าเอื้อเฟื้อต่อประโยชน์ของผู้อื่นก็ดีไม่เบียดเบียนคนอื่นนะแล้วก็วิธีการที่เราจะไปถึงเป้าหมายชีวิตก็ ก็ต้องใช้วิธีการที่มีธรรมะนะใช้ธรรมะในการไปที่ถึงเป้าหมายชี้วิตบางคนคิดว่าเป้าหมายของเราดีแล้วถูกแล้วแต่เราใช้วิธีการแบบแบบมาแบบธรรมเพื่อให้เป็บรรลุเป้าหมายอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะสิ่งสําคัญคือเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายที่ดีเป้าหมายที่ถูกรวมทั้งวิธีการ ที่เรานะจะเดินทางก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันก็ต้องเป็นวิธีการที่ที่ถูกต้องตามคํำนองทองคำไม่ใช่เป็นวิธีการที่ที่เป็นอนาธรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายชีวิตเนะพราะบางทีคนทําโลกถ้าบางทีไม่มีเป้าหมายชีวิตบางทีก็อยู่แบบล่องลอยไปเรื่อยๆครับหงทีก็ซนะึมเศร้ามี มีพยาบาลคนหนึ่งนะเขาก็มีครอบครัวที่ดีสนะามีก็เป็นขนา้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันนะมีวันหนึ่งเขาก็สามีกับลูกนะลูกชายคนนะประสบอุบัติเหตุรถยนตนะ์เสียชีวิตเขาก็แบบทุกข์ใจมากเนาะเพราะว่าสามีก็เสียลูกก็เสีย ก็เศร้ามากแต่ก็ยังเหลือลูกอีกคนหนึ่งนะชีวิตก็เหมือนที่เคยสมบูรณ์ที่เคยเหมือนมีความสุขนะแต่พอครอบครัวสูญเสียสองคนนะชีวิตเขาก็กนะ็เศร้านะเศจ้าโศกความทุกข์อทวนจนวันหนึ่งลูกชายที่เหลือนะก็ก็เลยเห็นแม่เศร้ามานานก็เลยพูดกับแม่ แม่ยังเหลือผมอีกคนนึงนะเขาดูกขาพูดประมาณพูดแม่ยังเหลือผมอีกคนนึงนะพอแม่ได้ฟังนั้นก็ได้สติขึ้นมาเออือถ้าเราจมกับความเศร้าหรือจมกับการสูญเสียคนที่เรารักไปแต่จริงก็ยังเหลือคนที่เรารนะั ก, ค, กคนหนึ่งอยู่บนโลกนี้ะก็คือลูกชายอีกคนยังอยู่นะ้นอแม่คนนั้นได้ได้ยินลูก พูดอย่างนั้นก็ได้จะติดขึ้นมาอ๋อเราจะมีหน้าที่นะหรือเราจะมีเป้าหมายในชีวิตของเราคือเราต้องเลี้ยงลูกคนนี้ให้ดีที่สุดแม่เขาก็เลยคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนอกจากการทําหน้าที่พยาบาลก็ทําเต็มที่นะแต่ก็ยังมีเป้าหมายว่าเราต้องดูแลลูกคนนี้นะให้ดีที่สุดนะเราโยมคนนี้เขาก็ทําทําดีนักเลี้ยงลูกอย่างดีนะ จนรูกก็เรียนจบเป็นหมอนาให้ทํางานนะเป็นหมอนะเดีนะ๋ยวเขาก็หน้าที่นะถ้าทำดีละจนตอนนี้ก็ยังมาทนะําหน้าที่ช่วยดูแลผู้ป่วยนะแบบประคับประคองด้วยนะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วยที่อ่นะเรียกว่าต้องรักษาแบบประคับประคอง ถือเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นพี่ลูกษาี่ากับพยาบาลนะที่ดูแลผู้ป่วยแบบนี้ด้วยนะคือแต่จุดที่ผ่านเขาจะตอนที่ที่ชีวิตที่แบบสูญเสียนะแล้วก็มีความเศร้าคือว่าเหมือนชีวิตมันเป้าหมายที่เคยที่เคยคิดว่ามันจะอยู่แบบกับเรานานๆ น, นะมันก็หายไปแบบในทิวตา แต่พอได้ส ต, ติว่าเออเราจะมีอนเะป้าหมายหรือมีภารกิจบางอย่างที่เราก็ยังทาอยู่ได้มาเช่นการเล้ยงลูกคนที่เหลือเนะียให้ดีที่สุดนะเขาก็ทําหน้าที่ตรงนี้ทําหน้าที่ตรงนั้นแะต่ก็ยังมีเป้าหมายในการช่วยปรนถืดต่อนะเขาก็มีความสุขในการได้ทํางานพวกนี้นนะอันนี้คือถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตในเชิงที่ดีมนะชีวิตเราก็เหมือนคล้าย เราก็ได้ทําหน้าที่ตรงนั้นทุกวันทุกวันอย่างดีที่สุดอืจบแต่ละวันก็จบไปแต่ในทางโลกนะบางทีก็อย่างตัวอย่างเมื่อทีบางทีตัวอย่างบางทีเป้าหมายในชีวิตของเราบางทีถ้าเราไม่มีธรรมะมากํากัดบางทีเราก็จะุกอย่างเช่นเรามีคู่ คนทั่วก็ต้องคาดหวังว่าคู่เราจะต้อง อ, อยู่กับเรานานๆะหรือว่าเขาก็ต้องอดีแบบนี้นะคตังแต่ตอนที่แรกครบจะต้องดีแบบนี้ต่อไปนะแต่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นคือเวลาเขาเปลี่ยนไปถึงพฤติกรรมเปลี่ยนหรือทั้งหน้าตาเปลี่ยนนะหรือว่าอาจจะมีการจากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือนวะัตถุหิวเราก็ทุกข์ใจ หรือแม้แต่ถ้าเป้าหมายเรื่องหน้าที่การงานของเราก็เหมือนกันนะใช่ไหมบางทีเราก็คิดว่าอืมตำแหน่งนี้นะมันจะอยู่คงมพนถาวร น, นะหรือบ้านหลังนี้รถ ด, ดังนี้วัตถุสิ่งนี้ที่เราได้มามันจะอยู่ถาวรบางทีมันก็ไม่แน่นอนเนาะอันนั้นบางทีในทางโลกเรามีเป้าหมายในการที่จ ะ, สะแสวงหาอะไรนะ แต่สิ่งหนึ่งเราก็ต้องมีทำมะคอยกำกับนะคือติ่งต่างๆทางโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะมันตั้งอยู่ในความไม่เที่ยงนะถ้าเห็นความไม่เที่ยงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคล้ายๆมัก็เป็นตัวเตือนใจเราว่าเราีจะอย่าก็อย่ า, า, ยาไคิดว่ามันเที่ยงเนาะอคนที่เรารักก็อย่าคิดว่าเที่ยง สิ่งของที่เรารักที่เรามีก็อย่าคิดว่าเทีย่ยงถ้าเราวางใจแบบนี้ได้นะการมีเป้าหมายในทางโลกหรือหรือการบรรลุเป้าหมายก็จะไม่ทําให้เราทุกข์ใจนะถ้าเราทําด้วยความที่ถูกต้องการทำด้วยแล้วก็เรามีเนะี่มีคติเตือนใจเราไปบ่อยว่ามันถ้ามันเปลี่ยนไปเนะี่ยถ้ามันหายไปถ้ามันพลาดจากกันไปเราก็ทําใจได้แต่คนส่วนใหญ่ บางทีพอเราคิดถึงเป้าหมายเราก็คิดถึงแต่ว่าทำไงเราถึงจะได้เป้าหมายนั้นให้เสร็จให้ให้เร็วที่สุดนะหรือมากที่สุดแล้วก็ไม่ใช่คำนึงถึงวิธีการที่จะได้มารวมทั้งเมื่อได้มาแล้วก็ ค, คิดว่าเราจะต้องรักษาหรือว่าต้องห่วงแหนต้องค้อบความไว้ให้นานที่สุดเท่าที่ทาได้นะนะยื้อให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้บางคนเนะี่ย เช่นคนละเราป่วยหนักๆบางทีเราก็คิดว่าเราต้องยื้อให้มากที่สุดนะทํำไงก็ได้ยื้อให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดเพราะเราคิดว่าถ้าเราสูญเสียเข้าไปเขาก็จะเราได้เป็นทุกข์ใจแต่จริงบทียิ่งยื้อมากเขาเองก็ทุกข์มากมนทางกายหรือเราเองก็จะทุกข์ทางกายด้วยทุกข์ทางใจด้วยถ้าเรามีธรรมะกํากับ น, นะอืม เราก็มีแต่มีแล้วก็รู้ทันว่ามันต้องภาคจากกันมันก็จะมีทุกข์ใจเนะียตัวนี้จะเป็นตัวที่สตินะจะเป็นตัวคอยคอยเตือนเราอยู่เสมอนะเรามีอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ต้องระวังไว้ว่ามันก็ไม่แน่สักวันหนึ่งมันก็ต้องภาคจากกันและกันไปนะถ้าเราคิดแบบนี้น ตำแหน่งเราจะถูกกด <c oughs> หรือเงินเราจะหายหรือเราจะเป็นโกร้ายคือพ่อแม่จะจากเราไปนะเราก็ทําใจได้นะเตรียมใจไว้แล้วมันก็ทําใจไปได้อันนี้ถ้าเรามีคีวิตอยู่แบบนี้นะอืม <c oughs> เราก็จะไม่ค่อยทุกข์หรือว่าทุกข์ก็น้อยนะ <c oughs> ส่วนเป้าหมายในการทำมรณนะเราก็ควรจะมีนะ เพราพอก่อนจะมีเพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบสนใจแต่เป้าหมายทางโลกเนะี่ยบางทีเราก็จะไม่รู้ว่าความสุขจริงๆมันคืออะไรนะอเพราะว่าชีวิตเราเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เกิดมานะถ้าเราแค่ๆแบบเกิดมากินเกิดมาอนอนเกิดมามีผู้คลองเกิดมาทํางานเกิดมากเกียณเป็นแก่แล้วก็ ตายไปไยอืมชีวิตมันมีแค่นั้นดันตวอาตมาแล้วตอนบวชใหไมเคยดูหนังสือตอนนึ้นตอนนั้นก็ตนบวชใำไมก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะอยู่นานหรือเปล่าแต่เราก็การบวชนะก็เป็นการได้ทบทวนชีวิตของเราเห็นหนังสือมนต์พิธีแปลนะก็ะมีรูปนะเด็กแรกเกิดนะเป็นทาลกนะ ถัดไปก็เป็นเด็กนะเหมือนเด็กเล็กๆเข้าโรงเรียนอนุบาลถัดไปก็เป็นเด็กโตขึ้นมาระดับประถมมัธยมแล้วก็เรียนหนังสือระดับมหาลัยแล้วก็จบปริญญาแล้วก็ทํางานแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็แก่แล้วก็ืเจ็บนะป่วยแล้วก็ตายเข้าเป็นรูปนะเรียนเดียนกันไป เขาก็พูดตั้งๆเขาบอกเท่านี้หรือชีวิตเราก็ อ, อจริงๆนะบางทีชีวิตเราก็อาจจะเป็นเท่านั้นจริงๆนะถ้าเราดําเนินตามวงจรของชีวิตนะ <c oughs> เกิดมาเรียนหรือทํา ง, งานมีครอบครัวแก่เจ็บแล้วก็ตายแค่นี้คือชีวิตของเราแต่ตอนนั้นเราก็พอได้บวจมันก็พระพุทธเจ้าท่านบอกที่จริงชีวิตเรา มันสามารถที่เราจะบรรลุเป้าหมายในชีวิตที่สูงกว่านั้นได้คืออะไรคือการที่ยกระดับจิตใจให้ให้สูงขึ้นหรือว่าให้สะอาดขึ้ น, นผ่านการศึกษาธรรมะแล้วก็ผ่านการปฏิบัติธรรมนี่แหล ะ, ะมันจะทําให้จิตใจของเราสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เลยมาว่ามันก็เป็นเป้าหมายในทางธรรมะของเรานะที่เรา ใช้ชีวิตเพื่อจะได้ศึกษาธรรมะคือว่าฝึกหัดปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันเข้าถึงตรงนี้แต่เราก็ชอบดีหน่อยได้ปวดนะแต่โยมเองมาจจะเป็นคารวะนะก็อย่าคิดว่าเราทาไม่ได้นะเราก็ทำได้นะเราก็ทำได้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมจริงก็อยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเรานะ ว่าแต่เรามีสติเรารู้สึกตัวนะมันก็เป็นการละความชั่วนะเมื่อมีสตินะมันคิดไม่ดีขึ้นมาเรารู้ทันนะเราไม่ทำตามความคิดมันก็ไม่เป็นการกระทาที่ชั่วไม่เป็นคมพูดที่ชั่วลนะมันเป็นคล้ายๆเป็นตัวเบรคทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมมันมีความคิดอกุศลอะไรทั้งนั้นแหนะ บางครั้งก็ขุดสบางครั้งก็อัุดสนจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีแต่สิ่งสาคัญคือว่าขณะที่มันคิดขึ้นมาเรารู้ทันหไหมถ้าเราไม่รู้ทันนะแล้วก็เกิดทําตามมาันหรือว่าเผลอพูดทํามมาันแต่ถ้าเรารู้ทันแล้วนะเราจะเป็นคนเลือกนะส่วนใหญ่ถ้ามีสติจริงๆมันก็เลือก เลือกที่จะไม่ทําตามความคิดไม่ดีอยู่แล้นะถ้าสติจริ ง, รงไม่ใช่ว่าฉันเลือกที่จะฆ่ากันตร์ว่าไม่มีนะถ้ามีสติจริงไม่มีหรอกฉันเลือกที่จะดื่มสซราอยังมีสติไม่มีนะนี่ถ้าสติจ ร, จริงๆนะแต่ถ้าเป็นเพียงแค่คนที่รู้ทฤษฎีแล้วก็เอจับหลักไม่ได้ก็อาจจะอ้างกันไปนะว่าเอเราตกยุงยังมีสติ เรากินเหล้ายางมีสตินะเราพูดคำหยาบย่างมีสตินะ ย, ยมนะไม่มีนะ <c oughs> อันนี้ที่จริงนะถ้าเรามีสติจริงๆความคิดที่เป็นอวุโสเกิดขึ้นมาเรารู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วสติมันจะเลือกเองว่าไม่ทําตามมันอไม่ทําตามมันมันก็ต่อไปมันแต่เราขาดสติเราเราก็ก็ทําตามมันะ หรือถ้าดีหน่อยไม่ถึงกับมีสติหรอกต่มีขันติขันติคือกดกั้นไว้ก่อนนะยังโกรธอยูนะ่ยังโมโหอยู่แต่กั้นไว้ก่อนนะมันก็อัดไว้นะถ้ากำลังขันติอืมมากนะก็กั้นไม่ได้กำลังคันติน้อยก็อาจจะระเบิดก็ได้นะอันนี้บางทีขีวิทย์เรานะก็น่ากลัวนะคล้ายๆเหมือนกับ ระเบิดนะที่หรือว่าประทัดอะ่ะเวอาเราจุดจุดไฟนะที่ตรงเชนวนเหมือนกับแวบหนึ่งที่มันคิดขึ้นมาเวลาเราจุดไฟที่ตรงเชนวนพอสักพักหนึ่งเราไปปรุงแต่งไปเรื่อยนะ่ะมันเหมือนสะสมสะส ม, สะสมความดุมแนแรงขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราก็ระเบิดน่ะเนี่ยนะ <c ười> หลายคนที่ชอบเก็บกดนะอืม <c ười> แล้วก็ ค่อยๆเก็บสะสมน้ะ่ะแต่พอมีจุดนิดนึงเนี่ยใช้นวลค่อยๆลามค่อยๆลามไปสุดท้ายมันก็ระเบิดขึ้นกับคนนอกข้างระเบิดขึ้นกับตัวเราเองอันนี้คือมันก็เกิดความทุกข์ใจได้หรือว่าเกิดผลเสียหายต่อคนนอกข้างได้แต่ถ้าเรามีสติคอยกำกับเนี่ยมันก็จะตัดได้นะบางทีเราอาจจะไม่ทันตอนที่เธอปิดจุดไฟแล้ว แต่เราก็ดับได้นะดับได้หรือถ้าแบบดับไม่ได้นะก็หาวิธีผ่อนคายให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดนะอย่างเช่นรู้ว่ามันจะระเบิดแนนะ่แต่เอาไประเบิดที่อื่น <c oughs> มีหลายคนนะมีหลายคนเขาเคยได้ฟังแบบันทีเวลาเข้าโมโหเนี่ยเขาจะไปกดนี่กดดิน <c oughs> กดจนได้สาดน้ำใหญ่ๆอ่ะ <c oughs> มีเกษตรกรคนหนึ่งนะเวลาข้าวโมงโหมอะไรนะเขาจะไปขุดดินนะขุดเดยอะมากจนทั้งได้บอ่อน้ํำนะก็ได้ประโยชน์นะในนําใชนะ้อันนี้มันก็เป็นวิธีปลอมบัตรนะความอัดอั้นในใจนะอันนี้คือแต่นั้นคือคนที่ใช้ความอดทนนะหรือว่าใช้การใช้ความตามในอื่นไปไประบายนะมันก็มันก็ช่วยได้ แต่ถ้าเรามีสติเป็นตัวระบายเนี่ยมันง่ายกว่านะไม่ต้องไม่ต้องอดไม่ต้องกั้นนะมันเหมือนไชื้อท้ายทาภาษาไทที่เราบอกว่าอฟังหูซ้ายถ้ลูกหูขวานะั่นแะเราทําตัวเหมือนเป็นทางผ่านเฉยนะมันเสียงที่ได้ยินก็ดีนะมันเข้ามาเราก็รู้นะแล้วก็ผ่านไปหรือ มองเห็นก็เหมือนกันนะมองเห็นเข้ามาแล้วก็ผ่านไปนะพันเป็นแบบนั้นนะถ้าเรามีสติเราจะเหมือนเหมือนตัวตัวตนมันมันกลงกลัวมันคล้ายมันมันโป่งๆนะไม่มีอะไรอะไรผ่านเข้ามามันก็ทะลุไปความคิดที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันมันคิดขึ้นมาแล้วก็มันก็ผ่านไปะมันก็จบไปกลมันเองอันนี้คือ ถ้าเรามีสติมันจะรู้สึกอย่างนั้นแต่บางครั้งถ้ามีสติมันจะมีอารมณ์ขึ้นมานนเกิดเวทนาความพอใจหรือความไม่พอใจขึ้นมาแล้วเราก็จะไปปรุงแต่งความพอใจนั้นความไม่พอใจนั้นเราก็ยิงยึดเข้าไปยึดอยากจะทำให้มันสำเร็จตามความพอใจนั้นหรือความไม่พอใจนั้นอันนี้มันเป็ น, นกลไกของธรรมชาติ ที่มานทางานนาะเราต้องค่อยค่อยรู้ทันมันควาวิาสัิจะทําให้เราค่อยค่อยเห็ น, นกลไกการทํางานของจิตเนี่แหลเมื่อเราเห็ น, นกลไกการทํางานของจิตนะเราจะรู้สึกเหมือนอืมายคล้ายเหมือนโอ้เราเสียทีมันมานานแล้วเนาะอย่างพระพุทธเจ้านะพอท่านท่านเข้าใจธรรมะ คำโบรานในจิตของท่านที่ท่านโบรานคืออ๋อนี่ในช่างกู้บวกเดือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วต่อไปเจ้าจะทําเือนให้เราไปได้อีกต่อไปนะคือพอท่านมาเห็นว่าที่ในช่างกูกเรือนก็คือตันหาผู้สร้างภพนะั้นสร้างการปรุงแต่งในจิตของท่านพอท่านมาเห็นโอ้ยในช่างตัวตันหาตรงนี้มันสร้างสร้างภพสร้างชาสร้างทุกข์ให้กับเรามาเห็นแล้วก็ ก็เลยบูชามนานะต่อไปเจ้าจะทําเพือนให้เราไม่ได้อีกต่ อ, อกไปนะเนะี่ยคล้ายๆปดถ้าเป็นลูกน้องเราก็ปดเขาออกไปใช่อนะืมปดเขาออกไปเขาก็ทําอะไรไม่ได้ละอืจิต ข, ของเราทุกเหมือนกันพอเราเห็น <c oughs> เห็นพระตานิง่ายของข้อเห็ยนว่าตัวลักคิดอนะืตัวรักคิดรักรอริ่งนะแอบขโมวยคิดขึ้นมาในจนะิตนี่แหละตัวเนี้ยคือตัว ต้นต่อที่สําคัญเลยนะอการมีสติเนี่ยเบื้องต้นอย่างที่เราเราฝึกมีสติรู้กายที่เคลื่อนไหวพยายามรู้เนื้อเรื้อตัวไปกับกายเคลื่อนไหวที่จริงขณะที่รู้เนื้อตัวเคลื่อนไหวมันก็ถูกอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วแต่ที่จริงในเบื้องหลังในเบื้องหลังอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันมีตัวรักคิดเนี่ยแหละที่เป็นตัวก่อควนจิตใจของมันจริง เรามีตติรู้กายเพิ่นใหม่ต่อไปเราจะรู้ทันใจที่นักคิดรู้ใจที่คิดนึกเนี่ยนะถ้าใครเห็นตัวใจที่มันนักคิดไม่ได้ตั้งใจนะมันจะรู้สึกตกใจเลยนะตกใจว่าเราเป็นแบบนั้นยังไงนะพอเรารู้ทันเราก็ตื่นออกมาจากมาเลยนะตื่นออกมาจากเออตอนนี้เมื่อกี้เรามันคล้ายๆปูกผีสิงนะ จริงๆนะบางที่เราตอนที่เราโกรธมันเหมือนมันผีสิงเราอะ่ะพอเรารู้ตัวว่าเราโกรธเหมือนระตุ้งขึ้นมาผีมันออกไปนะเมื่อไหรที่เราเห็นตัวรักคิดเรากําลังคุ้นคิดอยู่กับอารมณ์อยู่เากำลังยึดสติอะไรสักอย่างพอสติมันกลับมาย้อนเห็นตัวรักคิดหรือว่าตัวที่เรากาลังเต็บอารมณ์อยู่มันกระตุ้งออกมาตัวรักคิดก็หายไปอันนี้ยเรามีสติเราฝึกสตินะ ต่อไปสติจะเข้าไปเห็นตัวรักคิดนะเห็นอาการของจิตที่มันเผลอไปคิดเมื่อเราเห็นแล้วตัดไปจะเกิดการถ่ายทอนความรักคิดเป็นอสุจิตจิตนะก็เป็นอิสระจิตก็กลับมาเป็นปกติธรรมดาเนะี่ยมันจะมันก็จะเห็นมาแนบบ่อยๆตอนหลัง น, นะนอกจากเราจะมีสตดิดูกายบาย่อย พอจิตเริ่มเห็นจิตแบบนี้บ่อยๆสติมันจะไปเด่นที่ตัวที่ตัวจิตมากกว่าตัวกายสติมันจะมันจะไปเด่นในการเฝ้าดูจิตมากกว่าดูกายอนะแม้เราจะเดินจงกรมแม้เราจะสร้างจังหวัดแม้เราจะทําการงานอะไรต่างแต่สิ่งที่มันจะคอยเฝ้าดูจริงๆคือ เมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมามันจะเห็นได้เร็วกว่าการเห็นกายนะแม้เราจะทำทำการเคลื่อนไหวเยอะนะแต่ถ้าเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะไิดจับตัว น, นั้นของมานเองนะอันนี้ไม่ใช่ว่าเราอยากจะทํานะแต่จิตมันไปทําของมันเองนะเพราะว่ามันจคล้ายเหมือนมันมาเห็นต้นตอนะคล้ายถ้าเป็น ต, ตํารวจนะไม่เป็นท เ, เวลาจับสมุนนะไปจับ ไปจับมือหน้าเลยเพราะไอ้ตัวที่มันร้ายที่สุดคือตัวบงการกตัวบงการเนี่ยคือตัวร้ายที่สุดอาการทางกายทางวาจายนี่ยมันมันถูกใจมันบงการเมื่อสติมันเกิดกํำลังมากขึ้นมันกล้าหาญมากขึ้นมันจะเข้าไปจับทันความคิดทันอารมณ์เมื่อจับได้มันก็มันก็จัดการตรงนั้นเหมือนหลงพ่อเทียนเขาบอก บานทีกตลังหรงแค่เราพูดนะยิ่งคิดมากยิ่งรู้มากแต่ก่อนตอนเราฝึกใหม่ๆแล้วราคิดมากมันไม่ดีนะเป็นที่บอลจนะรมฟุ้งซ่านไม่สงบแต่ถ้าเรามีสติไปเรื่อยสติมีต่องังยิ่งคิดมากยิ่งรู้มากยิ่งชอบชอบอะไรเวลามีผัสสะกระทบเวลาเกิดความคิดขึ้นมา เพราะอะไรเพรสติมันเห็นมันเหมือนเป็นอาหารเหมือนเป็นอาหารของของสติหรือถ้าพูดภาษาแบบหลงพ่อเทียนถ้าเปรียบเทียบสติเหมือนกับแมวใ่ไหความคิดหรือกิเลสมันกับหนูคล้ายๆเหมือนแมวมันจับหนูได้บ่อยจับได้บ่อยมันก็กินไ่อมันก็โตขึ้นมันก็มีกำลังมากขึ้นความคิดที่มันโหลขึ้นมาอารมณ์ที่มันโหลขึ้นมาหรือกิรขัดตัดที่มันก็ะบก็เกิดอารมณ์่ะ ต่อไปมันจะสนุกดูนะอไปอยู่กับการงานไปอยู่กับผู้คนมันก็สนุกดูนะสนุกดูจิตใจของตราเองนั่นแหละนะยิ่งกระทบไ่อยิ่งชอบไม่ใช่อยากไปหาเรื่องกระทบนะแต่มันจะมองเป็นเรื่องดีที่เออทําให้เราได้เห็นเห็นอะไรพอมันกระทบคล้ายๆมันเห็นอะไรมันจะเคลื่อนในใจของเราอไอ้ที่เราไม่เคยเห็นนั่นแหละมันจะกระเทือนขึ้นมาเช่น เกิดความคิดเกิดตัวตนที่จริงถ้าพูดง่ายๆคือไอ้ตัวตนเราน่ะมันจะิดเอือนออกมาให้เห็นตัวนตนที่เราเคยยึดนะที่เราไม่เคยเห็นมันน่แหละอันนี้เรายึดสิ่งที่ถูกต้องไว้เรายึดสิ่งที่ดีไว้เรายึดว่าเราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้พอถูกพัดตากพอถูกอะไรกระทบขึ้นมาไอ้ตัวตนมันเกิดเอือนออกมา มันดูนนุดออกมาตื่นออกมาสติเห็นสติก็ออดแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นแบบนี้นะแต่ก่อนเราก็เห็นแนนะต่หยาบๆตอนที่โมโหแรงๆตอนที่อยากมากๆต่อไปนะกคเดิต ท, ที่มันเ น, นะ่กลางๆหรือมันละเอียดมันจะค่อยๆเห็นเราเราเหงาแบบนี้เนาะหรือบาง ท, ทีเราก็พอใจในความสุขแบบนี้เนาะ นะพอมันสุขสบายพอมีอะไรมากระทบเรารู้สึกเสียดายมายนะั้งอะไรเงี้ยหรือเราบาทีเราก็ติดผู้ติดในความรู้นะติดอยากเป็นผู้รู้นะติดชอบนะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรนะมันก็จะเห็นตัวตนบางอย่างของเราขึ้นมามันยิ่งสนุกนะสนุกในการเห็นจิตใจเห็นความคิดนะเห็นไปแล้วเห็นไปบ่อยเห็นไปบ่อยเป็นไง มันก็จะเข้าใจว่าที่จริงทุกสภาวะนะะถ้าเราตยึดมันก็ทุกถ้าเรามียึดมันก็ไม่ทุกมันแค่นั้นนะแต่ถ้าเราเห็นเฉยเฉมันจะมันจะไม่ทุกแต่เมื่อะไรที่เราเกิดไปยึดมันก็ทุกเมื่อนั้นแหละไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราเกิดไปยึดมันก็ทุกแต่จริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นไปรักเท่านั้นเลย มันเล้วนแต่ไม่เที่ยงไอ้ที่เราเ ค, คิดว่าเป็นสุขที่จริงก็ไม่สุขจริงๆหรอกในสุขมันก็มีทุกเย็นนั้นนะทุกคือสภาวะที่มันไม่สามารถคงที่ดังเดิมได้นะมันต้องเสื่อมไปมันต้องเปลี่ยนไปแล้วที่จริงทุกอย่างนก็มันเป็นของมันเองนะนะนะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะหรือที่ภาษาเรียว่ามันไม่ใช่ตัวตนเป็นอ น, าานัตตาแค่นั้น มันที่เกิดความเข้าใจพวกนะ้แหละนะเห็ น, นบ่อยย้ำในในบ่อยๆจิตที่เข้าใจเรื่องต้นมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่จิดที่เห็ น, นบ่อยๆจนทั้งมันเกิดการยอมรับแล้วก็มันพ้นของมันเองก็เป็นอีกแบบหนึง่งดังนั้นที่จริงเมื่อเราฝึกสติเบื้องต้นนะต่อไปมันจะเรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยถึงจะเป็นวิปัสสนาที่จริงอย่างที่บอกว่า พอเราเห็นเห็นจิตที่มันนักคิดเห็นอาการของความคิดอาการของจิตที่มันเผลอไปนะเป็นการเดินปัญญาเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเจริญทั้งเราแยกนะแยกสิ่งต่างๆได้เป็นเพียงแค่อาการนะเจริญทั้งเห็นว่ามันมันเป็นความไม่เทีย่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนนะ่ะจิตมันก็จะค่อยลายสิ่งที่เราคิดมั่นถึงมั่นนะ มันเป็นเรื่องของจิตนะไม่ใช่เรื่องของเรานะแต่นี่คือสิ่งที่เราฝึกนะสิ่งที่เราปฏิบัตนะิจิตมันก็อยู่กับฐานอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันจะไม่ค่อยไปอดีตไม่ค่อยไปอนาคตของมันนะมันก็จะรู้อย่างที่ว่า ม, มันมันจะอยู่แบบในปัจจุบันนะมันจะในการทาหน้าที่ในปัจจุบันดีที่สุด แม้ทางโลกก็ดีหรือแม้แต่ในทางธรรมก็ดีมันจะรู้ว่าถ้าเราทาปัจจุบนนันดีที่สุดมันก็พอแล้วนะในทางโลกก็เหมือนกันนะแม้เรามีเป้าหมายอย่างที่ว่าแต่จริงเป้าหมายไม่ไม่ได้สำคัญเท่ากับเท่ากับในขนาดที่เราทำตัวนี้นะถ้าเปรียบเทียบกับเป้าหมายนะมันก็ไม่สำคัญเท่ากับขนาดที่เราเดินทางอยู่นะถ้าเราเดินทางอย่างดีที่สุดอันนั้นก็ ถือว่าสำเร็จแล้ว่วนทั้งเรามีความเข้าใจว่าที่จริงนะชีวิตทางโลกจะถึงเป้าหมายก็ได้ไม่ถึงก็ได้นะไม่ได้สาคัญนะนะแต่สงคัญก็เราทำให้มันเต็มที่ทำให้มันดีที่สุดแค่นั้นก็พอลนะอันนั้นถ้าเรามีธรรมะตรงกรับนะบางทีเป้าหมายในทางโลกอาจจะไม่สมงวั ง, งก็ไม่ได้ผิดหวัง ความเจะอาจจะไม่สมหวังนะแต่ไม่ผิดหวังอาจจะไม่สาเร็จแต่ไม่ล้มเหลวเหมือนเราแรกฟังหลวงพ่อพูดน่ะหลวงพ่อแบบรู้สึกโกนใจมานนะหลวงพ่อแต่ก่อนท่านทํางานพัฒนาช่วยเหลือชาวบ้านรักษาปา่าอะไรพวกนี้ น, นะท่านบอกงานที่หลวงพ่อทํามันล้มเหลวแต่หลวงพ่อไม่ได้ล้มเหลวแต่ยกอีกอย่างหนงว่า งานที่หลวงพ่อทำไม่ได้สําเร็จนะแต่ตัวท่านไม่ได้น้มเหนวชีวิตของเราเองก็เหมือนกันนะบางทีเป้าหมายทางโลกเราอาจจะไม่ได้สำเร็จเราอาจจะไม่ถึงเป้าหมายแต่เราจะรู้ว่าเราไม่น้มเหนวเพราะว่าอะไรเพราะเราได้ทำเต็มที่นะทำถึงความสามารถแต่ทางโลกมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเนาะที่เราไม่สามารถไปไปหว่านล้องหรือว่าไปจัดการได้ทั้งหมด เราก็ยองรับตามความจริงนั่นแหละจริงที่เราก็อยู่กับปัจจุบันนะั้นเหมือนเราป่วยเราก็รักษานะร่างกายให้ดีที่สุดแต่รักษาแล้วจะหายหรือไม่หายก็เป็นเรื่องหนึ่งหายก็ได้ไม่หายก็ได้เป็นอย่างนั้นนะใจใ จ, ใจรู้สึกเออหายก็ได้ไม่หายก็ได้รวมทั้งแม้แต่การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเราก็มีเป้าหมายก็เราอยากจะ พัฒนาจิตให้สูง ข, ขึ้นไปะแต่พอถึงจุดหนึ่งจริงจรมันก็ต้องวางใจว่ามันจะถึงหรือไม่ถึงก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งถ้าเราไปแบบคิดว่าต้องถึงให้ได้นในชาตินี้นะมันก็พบหลายคนที่คิดตอนนี้ก็เครียดมากทุก <c oughs> มากนะชีวิตไม่มีความสุขเพราะว่าเมื่อไหรจะถึงเท่าทีเนะมื่อไร่จะได้เท่ทีวันวั น, นหน้าตาก็เศร้าหมองเพราะว่า จริงจังหรือเครเครียดหรือบางคนก็มีความกังวลใจมีโยงพันึุเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็ก็รักษาไปตามอาการนะแต่ขอมาขอมาอยู่ที่วัดป่าสุโกโตบอกว่าขอมาตายอยู่ที่วัดขอมาอยู่ใกล้ๆหลองพ่อนะเขาก็เขาก็ <S <S 1> <S 1> มีความกังวลใจอย่าง่ง คือกวัวมีความกังวลใจของเขาคือว่ากลัวว่าตอนตายจะขาดสติคือความกังวลอย่างอื่นทางโลกก็ก็ไม่มีละไม่มีครอบครัวสมบัตบิอะไรก็คงไม่มีปัญหาแม้แต่ร่างกายก็รู้แล้วว่ารักษ า, าไม่ได้ก็ยอมตายแต่สิ่งที่เขากลัวคือกลัวกลัวตายอย่างขาดสตินะหรือว่าเรียกว่าไม่มีสติตอนตาย แต่ดอนนั้นพระอาจารย์เป็นสารท่านก็เลยให้คอลคิดกับโยมคนะั้นบอกถ้าตอนเนี้โยมมีสติอยู่ไหมโยมก็มีก็มีเออถ้าตอนนี้มีสติอยู่นะก็มีสติไปเรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวพอถึงตอนสุดท้ายตอนที่มันตายสติที่มันทำตอนนี้แหละมันก็จะต่อไปเรื่อยของมันเองโยมเขาก็คายใจเออที่จริงตอนที่เราควร คือรากลัวอนาคตนะ่ากังวลถึงตอนนั้นแต่จิงตอนเนี้มันมีสติอยู่มันก็พอแล้วนะมันก็จบแล้วนะแล้วก็เด็กเด็กปังนะเด็กปังว่าหลงพ่อกำเขียนตอนที่โยมเขาจะเสียหลงพ่อก็เราว่าเออเขาก็ไปยอย่างมีสติดีจริงสงบดีเพราะอะไรวางทีควกลัวมนะ่ะทําให้เราทุกข์ไม่ว่าจะกลัวขาดสติหรือกลัวไปไม่ถึงเป้าหมาย แต่จริงถ้าเรากลับมาวติในตอนนี้นะมันก็ถึงเป้าหมายตอนนี้แนละ้วแต่ถึงตอนตายก็อีกเรื่องหนึ่ง น, นะมันก็แต่เราก็ทําเต็มที่ละนะทําเต็มที่แต่สิ่งสําคัญในทางพุทธศาสนาก็คือว่าเราทําเหตุเราทําเหตุอะไรไบ่อยบ่อยมันก็ย่อมเกิดผลตรงนั้นแหละสิ่งสาคัญคือการทําเหตุเหมือนพระพเจ้าบอกเราปลูกต้นไม้เรา ต้น้ําเราควรดินเรารักษายอย่างดีผลไม้ก็ย่อมออกแน่นอนนะเราทำเหตุนในการมีสติไปเรื่อยมีสติเรืเ่อยนี่คือเหตุผลคือมรรคผลนผิพพานปัญญาก็ต้องเกิดขึ้นมาแน่นอนนะอันนี้คือเราก็ทําเหตุไปเรืนะ่อยบางทีในชาตินี้เราไม่บรรลุธรรมชาติหน้าใจจะบรรลุธรรมก็ได้นะอย่างสมัยนู่นสมัยพุทธกาลนะดีพัก รูปหนึ่งที่บรรลุธรรมเร็ว ท, ที่สุดเพราะท่านทาเหตุว่าชาติก่อนหน้านู้นนะท่านตั้งใจนะขึ้นไปอยู่บนยอดเขามีเพื่อนพาไปได้วยกันหลายรูปนะไปอยู่บนยอดเขาไต่มันไดขึ้นไปพองไต่ขึ้นไปแล้วก็ทิ้งมันไดลงไป น, นะประมาณว่านั่งนอนเพ็มเพียนวันนั้นแหละนะถ้าไม่บรรลุธรรมก็ยอมตาย เพื่ท่านวันแรกก็บรรลุ ธ, ธรรมมีอภิน ญ, ญาได้ขอไปรรมีทบารอเอามาให้พระที่เหลือพระที่เหลือนก็ใจเด็ชไม่เอาไม่เอาท่านจะบำเพ็ญเพียรเองท่านจะนรรมีทบาราท่านก็มีอภิญยาเป็นท่านเองจนสุดท้ายน่าจะไปกันห้ารูปนะเพื่อนท่านสี่รูปเนี่ยบรรลุ ธ, ธรรมแล้วก็ไปสบายหมดมีอภนะิญยา ของเอือนเอานาฬิกาไปบินบาต ท, ที่ข้างล่างได้แต่ตัวท่านเองไม่มรรลุธรรมอะไรแต่ได้ทําความเพียรเต็มที่นะยอมตายขอหมายชาติที่พระเจ้าท่านปฏิสรู้ทันถ้ารุ่นนี้ท่านได้ฟังประโยชนสั้นๆท่านก็บรรลุธรรมคือของเก่าท่านทํามามันยังไม่ถึงก็จริงแต่พอมีคนมาต่อยอดให้มันก็ง่ายนะอันนี้สิ มันเป็นเรื่องราวของจิตของเราเนาะจิตของเราต้องเหมือนกับจิตของภาพรูปนี้นั่นแหละนะที่เราสะสมบำเพ็ญมามันก็มันก็เป็นความต่อเนื่องนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่จิตดวงเดียวที่มันเกิดแล้วก็ตายนะหลับที่จริงมันเป็นกระแสแห่งความตอนเนื่องนะมันเป็นกระแสะที่มันสืบเนื่องกันนะแต่มันไม่ใช่ดวงเดียวกันหอลันะแต่มันสืบเนื่องกันนะให้เรา เพียแค่รู้ว่ามันเป็นรูปเป็นล่าเป็นรวมให้มันเข้าใจง่ายๆแต่ที่มันเป็นการเกิดจักของจิตทีละขณะทีละขณะทีละขณะที่มันสืบเนื่องกันมาอันนี้แหละคือสิ่งที่เราภาวนาเนาะมันจะถึงเป้าหมายหรือเปล่าไม่สําคัญสําคัญคือเราได้ทํามาเต็มที่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นทางโลกก็ดีหรือว่าเนทางธรรมก็ดีเนาะให้เราพยายามทําให้มันเต็มที่ แล้วใ น, นที่จริงในทางธรรมะจริงๆถ้าเราจะบหลากได้อย่างที่พูดไว้ที่จริงยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระราหันยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระโตนาบันแต่จริงเราก็ยังสามารถสัมผัสกับความเป็นปกติในแต่ละขณะจิตที่เรารู้ตัวได้นี่สําคัญนะอืมสําคัญจริงๆคือตอนที่เรารู้สึกตัวจิตมันก็ปกติหรือตอนที่เรารู้ทันความคิดความเผือไปคิด จิตมันก็มีคิดจิตมันก็ไม่ทุกข์แล้วสําคัญที่สุด น, นะไม่ต้องรอว่าเมื่อไรเราจะมีปัญญาเต็มรอบแต่ทุกครั้งที่มีสติมันก็เหมือนเปลี่ยนนะเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโ ก, กรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงอันเนี้ทําไทเรบ่อยๆเมื่อเราเปลี่ยนไปบ่อยนะมันก็จิตมันก็จะเปลี่ยนของมันเองตอนนี้อาจจะตั้งใจ เปียนตั้งใจรู้สึกตัวแต่พอไปบ่อยๆพัฒนาบ่อยๆจิตมันก็เปลี่ยนของมันเองนะมันก็เป็นความเคยชินของมันเนาะอันนี้คือเราอาศัยนะอาศัยความเพียตรตัวนี้เนาะทํำบ่อยๆทำเมื่อย่อยแต่ทํำแบบอย่าไปหวังผลอะไรมากมายนะทำแก้ให้ใจมันอยู่กับปัจจุบัน ท, ทําพียแค่เพื่อให้รู้ทันความคิดที่มันเกิดไปคิดนะ เนะี่ต้องตัดมาอยู่กับสิ่งที่ทำใหม่นะีแค่นี้แหละนะคือสิ่งที่เราฝึกหัดกันนอกก้องก็ให้เวลาที่ฝึกหัดกันตอนนอ่อเนาะ